นี่มาดูขึ้นปัญหาใหม่ปัญหาใหม่คือโพธิสัตวตธรรมตาปัญหาเนี่ยนะปัญหาเรียกว่าเรื่องปัญหาธรรมดาของพระโพธิสัตว์พระเจ้ามิลินนั้นกลับเรียนถามพระนาคเสณว่าพระคุณเจ้านาคเสณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทความข้อนี้ไว้ในธรรมตาธรรมะปริยยะว่า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาละกอนได้กําหนดผู้เป็นมารดาและบิดาไว้แน่นอนแล้วคือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีการกําหนดแล้วใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่นะใครจะเป็นใครเนี่ยนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเหมือนวางตําแหน่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะี่นะเขาเรียกว่ามีผู้เขาวางตําแหน่งไว้ให้แล้วทั้งเจ้าตัวอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ตามแต่ว่ามีผู้ที่เขารู้แล้วเขาเหมือนกับวางตําแหน่งไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่า ได้มีการกําหนดมารดาบิดาเป็นต้นเอาไว้แน่นอนแล้วได้กําหนดการตรัสรู้ไว้แน่นอนแล้วได้กําหนดผู้เป็นอัครส า, าวกไว้แน่นอนแล้วได้กําหนดผู้เป็นบุตรไว้แน่นอนแล้วได้กําหนดผู้เป็นอุปถาคไว้แน่นอนแล้วอย่างเช่นสุเมศบรรดิตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีบางกรบอกเลยว่าใช่ไหม ท่านผู้นี้มีพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุโทโธธนะมีเมืองชื่อกบิลพัฒมีแม่ชื่อว่าพนางมายามีมเหสีชื่อว่าพระนางพิมพ์พระยโสธรามีบตรชื่อว่าพระราหุนมีอุปทาชื่อว่าพระอนนท์เนี่ยนะเขาจะมีการพยากรไว้อ น, นะอุบาสกชื่อว่าจิตตะหัตถะละกะาอุบาสิกาชื่อว่านันทมาตาเป็นตน้นจะมีการพยากรไว้บอกไว้เบ็ดเสร็จหมาแล้วก็เหมือนกับว่ า, วามีการวางตัวกันไว้ไวเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะ ที่เรียกว่ากําหนดการไว้เสร็จแล้วและ น, นะตอนแรกบอกว่าในพระสูตรเนี่ยว่าไว้อย่างนี้นะและพวกท่านก็กล่าวว่าอย่างนี้อีกอันนี้เป็นข้อเพื่อจะมาทวงว่าพระโพธิสัตว์ผู้ดํารงอยู่ในชั้นดุสิตย่อมตรวจ ด, ดูมหาวิโลกะนะแปดอย่างหนึ่งตรวจ ด, ดูการสองตรวจ ด, ดูทวีปสามตรวจ ด, ดูประเทศสี่ตรวจ ด, ดูตระกูลห้าตรวจ ด, ดูผู้ให้กําเนิด หตรวจดูอายุเจตรวจดูเดือน8ตรวจดูการออกบรรญชาต้องตรวจซะก่อนแล้วค่อยลงมาเกิดพระคุณเจ้าหน้าเกษเณมื่อยานยังไม่แก่กล้าก่อหาความรู้มิได้เอ๊ไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไปตรวจอะไรได้คือเขาคิดว่าคนที่จะตรวจอย่างนี้ได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้ามาตรวจอะไรเพราะมันยังไม่มียาน เมื่อยานแก่กล้าหมายว่าถ้าสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไม่อาจทําสิ่งเหล่านี้ซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ฐานะให้หัวนกลับคืนมาได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปทําอดีตเรียกอดีตคืนมาได้ยังไงใจที่แก่กล้าคือใจที่บรรลุญาณหรือใจที่สร้างบารมีจนสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใครๆก็ไม่อาจก้าวล่วงได้ถ้าสร้างบารมีเต็มก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะคําถามเพราะฉะนั้นพ่อเหตุไร ทำไมพระโพธิสัตว์จึงต้องตรวจดูการว่าเราจะอุบัติในการไหนดังนี้อีกเล่าก็ยานมันแก่กล้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไปจบทําไมต้องไปตรวจดูว่าเออเนี่ยอายุเกินแสนปีอายุต่ากว่าร้อยปีหรืออะไรเนี่ยทาไมต้องไปตรวจดูอะไรขนาดนั้นและเมื่อยานยังไม่แก่กล้าก็หาความรู้มีได้เมื่อยานแก่กล้าแล้วก็ไม่อาจให้สิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างไม่ใช่ฐานะให้หวนกลับคืนมาได้ นะก็ไม่ใช่ฐานะแล้วเพราะเหตุไรทําไมพระโพธิสัตว์จึงตรวจดูตระกูลว่าเราจะอุบัติในตระกูลไหนดังนี้อีกเล่าคือเหมือนกับว่ามีการกําหนดไว้ตั้งกระเรกอยู่แล้วนะมีเหมือนมีการกําหนดตั้งกระแรกแล้วแล้วทาไมจะต้องมาตรวจดูอีกพระคุณเจ้าหน้ากเกษถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ในปางก่อน ได้กําหนดผู้เป็นมารดาและบิดาไว้แน่นอนแล้วจริงไสถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าพระโพธิสัตว์ตรวจ ด, ดูตระกูลดังนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ตรวจ ด, ดูตระกูลจริงไสถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้กําหนดผู้เป็นมารดาและบิดาไว้แน่นอนแล้วดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ est. มีสองเงื่อนตกแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด นะคือแง่ปมของปัญหาเขามีอยู่ว่ามีอยู่ว่างข้อ ข, อขอ้ขัดแย้งของปัญหามีอยู่ว่าถ้าหากพระโพธิสัตว์ในปางก่อนได้ตรวจดูผู้เป็นมารดาบิดาเอาไว้จริงแล้วไซก็ไม่น่าจะต้องมาตรวจดูตระกูลอะไรอีกเพราะเมื่อกำหนดผู้เป็นมารดาบิดาไว้แล้วก็ต้องยอมรับตามตระกูลของบิดามารดานั้นเข้าซิทำไมจะต้องมาคอยเลือกนะเหมือนกับว่าเลือกแม่เป็นต้นทีนี้ พระนาเกษมก็ต่อว่าขอถวายพระพรมหาบาพิฎพระโพธิสัตว์ในปางก่อนได้กําหนดผู้เป็นมารดาและบิดาไว้แน่นอนอะ่ะจริงและตรวจดูตระกูลเอาไว้ก็จริงถึงกันนั้นนะนะก็แต่ว่าการตรวจดูตระกูลอย่างไรเล่าคือการตรวจดูตระกูลอย่างนี้ว่าผู้ที่จะเป็นมารดาและบิดาของเราเนี่ยเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้เล่าก็าคือมีการตรวจจริงๆริงนะว่า เป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรและตั้งความปรารถนาเพื่อเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนสิ้นอายุไขแล้วก็จนถึงเรียกว่าปุพพานิมิตของเทวดาที่จะจุติเช่นดอกไม้ประจำตัวเฉาผิวพันเศ้าหมองเหงื่อออกลักแร้นะไม่ยินดีในทิพอาธเรื่องราวเหล่านี้บอกว่า เทวดาท่านนั้นจะตายในระหว่างนั้นได้มีโกลาหนเกิดขึ้นเขาเรียกว่าพุทธะโกลาหลเมื่อมีพุทธะโกลาหนอย่างนั้นแล้วเนี่ยเนะทวดามาจากหมื่นจกนักรวรรมาเพื่อราษนาพระโพธิสัตว์ให้ให้ลงสู่คันพระมารดาแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะด้วยช่วยคนโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามไปด้วย น, นะซึ่งพระโพธิสัตว์พอฟังคําำราษนาจบท่านก็ตรวจดูมหาวีโลกนะ ปกติถ้าเป็นในจักถาทั่วไปเรียกว่ามหาวิโลกนะห้าแต่ตรงนี้ยกมาวิโลกนะแปดอัฏฐะก็ไม่ต่างกันนะนะความหมายก็ไม่แตกต่างกันอาจจะเรียกว่าเรียกเอามาพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้นเองพมันก็เลยเรียกว่ามาปัญจะมหาวิโลกนะตรงนี้เรียกว่าอัฏฐวอัฏฐวิโลกนาเรียกว่าวิโลกนะห้าวิโลกนะแปดตรงนี้ยกมาแปดอย่างแปดอย่างคืออะไรเขาตรวจดูพระโพธิสัตว์ท่านจะตรวจดูเรื่องการก่อน ตรวจดูเรื่องทวีปตรวจดูประเทศตรวจดูตระกูลตรวจดูผู้ให้กำเนิดตรวจดูอายุตรวจดูเดือนตรวจดูการเสด็จออกบรรญชาที่จริงเขาก็อย่างที่พระเจ้าเมเดินเขาคิดว่าอ้าวถ้ามีการกำหนดแน่นอนมาแล้วต้องมาตรวจทําไมเอาแล้วถ้าตรวจได้มันก็ต้องมียานแบบระดับผู้เจ้าสิจึงจะตรวจได้นะคือเขาบางอย่างก็ไปคิดอะไรที่มันเว่อรอยู่เหมือนกันคือคิดอะไรที่มันเกินเกินเอาไว้นั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของ ความสงสัยขึ้นทีนี้พระนาคเกษก็ถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษบุคคลแปดจำพวกมีอันต้องตรวจดูอนาคตก่อนคือบุคคลแปดจำพวกเนี่ยน ะ, ะก็ต้องตรวจดูอนาคตก่อนนะแล้วค่อยลงมือทํากิจใดๆอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะพ่อค้าเนี่ยนะพ่อค้าเนี่ยต้องตรวจดูสินค้าที่จะขายก่อน สมมติว่าพ่อค้าจะซื้อสินค้าขายสินค้าเนี่ยพ่อค้าจะต้องมีการตรวจก่อนมาตลาดต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรไม่มีพ่อค้าไหนว่าเออซื้อมาก่อนแล้วค่อยว่ากั น, นอีกทีนะหรือว่าไม่ตรวจอะไรเลยสักอย่างไม่รู้อินโออินเอเลยไปหาซื้อสินค้ามาค้าขายทั่วไปอันนี้ไม่มีหรอกพ่อค้าที่แท้จริงเนี่ยนะที่มีสัญชาติแห่งพ่อค้าโดยอัธยาศัยเนี่ยพวกนี้จะต้องตรวจดูสินค้าที่ตัวเองจะขายก่อนอะนะต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมีการสำรวจเช็คไม้หมดเลย อย่างที่สองบอกว่าช้างเนี่ยจะต้องใช้งวงตรวจดูหนทางที่ยังไม่เคยไปก่อนที่ยังไม่มาถึงช้างเนี่ยโดยมันจะเดินทางกลางคืนใช่ไหมทีนี้กลางคืนเนี่ยช้างมันตัวใหญ่ถ้าพลาดตกเหวตาอย่างเดียวแล้ววิธีการทำาังก็ใช้งวงนำหน้าก่อนไปสารวจดูก่อนว่าข้างหน้าควรจะเป็นอะไรไม่งั้นช้างอยู่ที่ป่าแล้วป่าที่ช้างอยู่ค่อนข้างอันตรายและช้างทำยไงก็ใช้งวงนี่ตรวจดูก่อน ตรวจดูที่ตัวเองยังไม่ไปถึงเนี่ยนะว่าข้างหน้าต่อต่อไปเนี่ยจะมีอะไรอย่างที่สามคนขับเกวียนเนี่ยจะต้องตรวจดูท่าข้ามที่ยังไม่ถึงก่อนอย่างเหมือนกับคนขับรถเนี่ยนะคนขับรถรุ่นก่อนกอเ น, นี่ยถนนที่มันแบบใช่จะต้องลงไปดูก่อนนะนะถ้าเห็นน้ําข้างหน้าปั๊บต้องลงไปดูก่อนแต่ยังดูก่อนว่าข้ามได้ไหมอะไรได้ไหมแบบสนทนยุคก่อนก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยจะต้องลงไปตรวจดูประจําเลยนะ แม้กระทั่งคนขับเกวียนก็เหมือนกันคนขับรถก็เหมือนกันต้องลงไปสำรวจข้างหน้าไว้ก่อนนะแต่สมัยนี้นะอุปมาณนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะอะไรเพราะถนนมันดีเยี่ยมหมดเลยนะอย่างที่สามต้นหนเรือเนี่ยนะต้นหนเรือนั้นจะต้องตรวจฝั่งที่ยังไม่ถึงก่อนแล้วค่อยค่อยส่งเรือไปคือต้องตรวจดูก่อนว่าจะไปจอดที่ไหนไม่ใช่เอาเรือไปก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่ง นะเขาเขาคิดก่อนนะว่าถ้าไหนที่จะไปจอดเรือได้นะนะก็คือเขาศึกษาเรื่องการเดินทางก่อนศึกษาเรือเอ่อเช่นคําว่าโค้นต้นหอนเรือเนี่ยพวกเดินเรือเดินทะเลเดินอะไรเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนแล้วเขาจึงค่อยเดินทางไปแสดงว่าเขาไข้ครวญสิ่งที่ยังไม่มาถึงก่อนแล้วค่อยทําหรือแม้กระทั่งแพทย์เนี่ยนะแพทย์ต้องตรวจดูอายุคนไข้ก่อนแล้วค่อย เข้าไปหาหรือลงมือรักษาเขาตรวจดูไข้ก่อนนะไม่ใช่ไปถึงวางยาเลยรักษาเลยใช่ไหมเขามีการสํารวจตรวจตราก่อนแล้วค่อยวางยานะี่ยนะแล้วก็หกผู้จะข้ามสะพา น, นนะโดยเฉพาะสะพานแบบสะพานไม้แขวนแบบโบราณ น, นะไม้อันเดียวอะไรอย่างเดียวเขาต้องรู้เสียก่อนว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงค่อยย่างก้าวย่างเท้าขึ้นบนสะพานเนี่ยสะพานโบราณ น, นะสะพานแบบวางไม้พาดเฉยๆนี่แมันเสียงกันนะต้องหยั่งหยั่งดูก่อนว่เป็นยังไงนะ ไม่ใช่ตกน้ําไปละนั่นนะแล้วก็ภิกษุก้องพิจารณาเวลาที่ยังไม่ถึงเสียก่อนแล้วค่อยฉันอาหารก็ต้องดูไอ้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วถ้าสมัยก่อนก็ดูนาฬิกาเด็กเอาไม้มาปักปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยมีเวลาฉันอีกได้นานเท่าไหร่คํานวณได้เลยว่าฉันได้อีกกี่คำแล้วมันจะเที่ยงไงนะเขาต้องคิดก่อนไม่ใช่ฉันก่อนแล้วก็บอกเออเลยเดี๋ยวจะเลยเวลาก็อบอกท่านนั่งฉันอยู่เลยเวลาไม่เป็นไร ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องเวลาต้องตามนั้นเป๊ะเลยประวัตนาฬิกาแดดเป็นหลักเนี่ยนะเพราะถ้าข้ามแม้แต่นิดเดียวก็เป็นอับัตแล้วคำเดียวก็เป็นเหมืนกักลืนเดียวก็เป็นถ้ามันเลยไปเพราะฉะนั้นเขาต้องตรวจดูเวลาก่อนและพระภิกษุนั้นจึงจะค่อยฉันอันนี้หมายความว่าภิกษุโดยโดยคุณสมบัติภิกษุโดยอ่าโดยโดยคุณธรรมนะแต่ถ้าโดยเพศเฉยๆก็ไม่แน่ใจ หรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอันจะต้องพิจารณาก่อนพิจารณาเช่นพิจารณาตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์เรียกว่าพิจารณาดูตระกูลที่ตัวเองจะไปเกิดก่อนว่าเช่นในยุคนั้นเนี่ยตระกูลที่ในโลกเขานับถือเนี่ยคือตระกูลอะไรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตถวิโลกนเนี่ยนะมหาวิโลกนะ8ปประการเนี่ย หตรวจดูการก่อนพระโพธิสัตว์ทุกองเนี่ยนะที่จะมาเกิดเป็นที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูการการที่มนุษย์มีอายุกับเหมาะสมที่จะประกาศพระธรรมจักรหรือไม่เช่นถ้าอายุเกินแสนปีจะไม่ลงมาอายุต่ำกว่าร้อยปีก็ไม่มาถามว่าอายุเกินแสนปีพวกนี้เหมือนกับว่าไม่ตายใช้ชีวิตเหมือนไม่ตายคือไม่ไม่ค่อยได้ยินคําว่าตายเพราะถ้าอายุเกินแสนปีมีโรคประจําตัวอยู่3ามอย่าง โรคอยากกินหนึ่งโรคไม่อยากกินหนึ่งหิวกับไม่หิวกับกับอะไรนะโรคหิวกับไม่หิวกับชราคือแก่แต่ว่าไอ้ที่อย่างอื่นเนี่ยไอ้ที่ว่าจากของรักสูญเสียของรักเศร้าโศกเสียใจกรรมบดโดยมากเขาทุกคนเขาดีมากกุศลกรรมบด ท, ทุกคนดีหมดเลยอันนะั้นหลายๆเรื่องก็ไม่รู้จะมาสอนเขาว่ายังไงพูดอันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดความเกิดก็เป็นทุกข์อะไรหลายๆเรื่องฟังแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะทุกเขามีนิดเดียวนะอันนั้นเหมือนกับว่าไป ไปสถานที่ที่คนมีความสุขไปหมดเลยแล้วไปบอกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะคุณมาพูดอะไรกันเนี่ยมันเขาไม่เข้าใจเพราะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบําเพินบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะมาพูดให้คนฟังบ่ได้นะคนฟังไม่มีประโยชน์เปล่าประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนมันก็ต้องถ้าเกินแสนปีไปแล้วถือว่าไม่มีใครบรรลุถ้าต่ําก็ร้อยปี เขาบอกว่าเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดในน้ำวักเดี๋ยวหมดไม่ใช่ขีดน้ำแข็งนะขีดน้ำแข็งเอ ย, ยังช่วยได้ตั้งหลายชั่วโมงนะแต่ถ้ารอยไม้ที่ขีดในน้ำเนี่ยแวบเดียวก็คืนสู่ภาวะปกติแต่สมัยใหม่เนี่ยเขามาว่าขีดขีดในรอยน้ำเหมือนกันแต่ประเภทน้ำไหลไงขีดจบก็หมดพร้อมกันกับรอยขีดนั่นแหละขีดจบก็หมดพร้อมกันกับรอยขีดเพราะอะไรมันเป็นน้ำไหลใช่หม ในยุคหลังๆมานี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าไปคาดหวังโอ้ยแสดงธรรมแล้วเขาจะเอาไปปฏิบัติตามพูดพลาดวุ้เจริญลึกซึ้งนี่ น, นะถ้าพูดร้อยคาแต่เก็บได้หนึ่งคำนี่ก็บุญแล้วคนพูดเอออย่างนั้นหรือไม่ถ้าพูดแสนคําได้สักยี่สิบคำนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะอะไรกันนะมันแทบจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะยุคต่ํากว่าร้อยปีนี่เป็นอย่า ง, ง น, นั้นนะเขาเรียกว่าเหมือนรอยไม้ที่ขีดในกระแสน้ำเชี่ยวอย่า ง, ง น, น, านั้นนะยอดนะท่าน ก็ถือว่าเหนื่อยเปล่าอีกเหมือนกันเนี่ยนะก็ถือว่าโอ้มันพูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นบุญเป็นวาสนาไปแค่นั้นเองอ่ะนะเป็นบุญเป็นวาสนาไปเท่านั้นเองเราเหมือนกับไปพเพาะเมล็ดวันทิ้งเอาไว้เมื่อไหร่จะงอกก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็คือลักษณะนั้นถ้าต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยเป็นอย่างนั้นทาใจไวเถอะทีนี้ถ้าไอาระวาง ร้อยปีขึ้นไปแสนปีลงมาเนี่ยเนะออเ น, นี่ยเป็นสมัยสมัยที่คนพอที่จะฟังอริยสัจมีวมีความพอมีสติมีปัญญามีมเวลามีอะไรหลายเรื่องทำให้สามารถไร้ครวนอริยสัจได้อันก็ถือว่าอันนี้กาละสำคัญเนี่ยนะต้องพิจารณาการเพราะถ้าไปไม่ถูกการแล้วก็เรียกคนทานอาหารผิดกาลนี้เขาจะทานให้ไหมเขากำลังทุกคนอิ่มแปรมาเลยเดียนะแล้วเรียกเขาทานข้าวมามาทานข้าวด้วยกัน เขาก็เรียกว่าจะอืดอยู่แล้วเนี่ยนะเราเรียกเขามัมีใครก็ทานให้หรอกหรือไม่ก็ไปอะไรนะเอาคนที่กําลังอะไรนะปวดฟันอย่างลึกซึ้งเลยนะแล้วอาหารมาปวดที่นีเรียกบวมทั้งปากหมดแล้วเอาอาหารมาตั้งส่วนกันทานข้าวเขามีใครทานไหม พูดให้คนอิ่มประทานเรียกคนอิ่มแป้ ม, มาทานเขาก็ไม่ทานเรียกให้คนปวดช่องปากเต็มที่เลยเขาก็ไม่ทานให้มันก็พอ ก, กันนั่นแหละแล้วมันอาหารที่ปรุงอย่างดีมีประโยชน์ตรงไหนใช่หมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็คิดดูว่ากาละเนี่ยสำคัญมากว่ากาละเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมแลไม่มีประโยชน์อะไรบําเพ็ญบารมีมาก็เหนื่อยเปล่าทิเนี้ย ก็ต้องตรวจดูการก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะเหมือนพ่อค้าที่ต้องตรวจดูสินค้าก่อนที่จะค้าขายแบบนั้นอย่างที่สองตรวจดูทวีปว่าพระโพธิสัตว์ที่จะจุติจากดุสิตจะต้องตรวจว่าจะเกิดในชมพูทวีปเท่านั้นเนี่ยนะหมายความว่าเหมือนกับอะไรนะนักบินที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะต้องเลือกว่าจริงๆอยู่แผ่นดินเชียงใหม่มันมีเป็นแสนไร่แบบนั้นเถอะไปจอดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมเห็นแต่ถนนใหญ่ๆแล้ววิ่งเลยใช่ไหม เสาไฟฟ้ากระโจยหมดนะนะระเบิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วแบบนั้นเพราะเขาไม่ใช่ว่าลงจอดทั่วไปหมดฉันใดเขาก็มีทำเล ข, ของเขาฉันใดพระเจ้าก็เหมือนการจะเลือกชมพูทวีปและเฉพาะในมัชชิมชนบทเท่านั้นไม่ให้ไปเกิดทั่วไปเกิดในเผ่าพวกอะไรในไปเกิดในพวกปัจจันตชนบทไม่เพราะมันจะเกิดเฉพาะในมัชชิมชนบทเท่านั้นเนี่ยนะการตรวจ ด, ด, ด, ดูประเทศนะตรวจดูประเทศเนี่ยนะตรวจดูประเทศคือมัชชิมะประเทศ มัชชิมประเทศในนั้นแล้วก็ตรวจดูตระกูลว่าเพราะตระกูลของพระของพระพุทธเจ้ามีสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์แล้วแต่ว่ายุคไหนเขาบูชาอะไรมากที่สุดเนี่ยนะถ้ายุคเขาเคารพพราหมณ์ที่สุดก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ถ้ายุคเขาเคารพกษัตริย์ที่สุดก็เกิดในตระกูลกษัตริย์อย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่เขาเคารพพราหมณ์มากพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์พระพกษัตริพะพุทธเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์ พระพุทธเจ้าของเราสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเขาเคารพกษัตริย์มากเพราะพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์เนี่ยนะส่วนผู้ให้กําเนิดเนี่ยก็ต้องตรวจ ด, ดูว่าพระชนนีเนี่ยของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอย่างไรผู้ให้กําเนิดทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เนี่ยนะทั้งพ่อทั้งแม่เป็นยังไงแต่ลนะพ่อไม่ใช่ว่าพ่อเป็นกษัตริย์แม่อาจจะเป็นเผ่าอื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์มาอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องเป็นกษัตริย์เครียกว่าแบบไม่เปื้อนด้วยตระกูลอื่นมาหลายชั่วโคตเหมือนกัน แล้วก็ตรวจดูว่าอายุของแม่เหลือเท่าไหร่ต้องพอดีต้องสิบเดือนกับเจ็ดวันมั้งนั่นแล้วก็ตรวจดูเดือนอีกเดือนที่จะจุติจากฤาิีมาปฏิสนธิในคันเนี่ยเพราะว่าจะต้องกําหนดเวลาคลอดและต้องคลอดวิสาขาเลิก น, นะครัคื อ, ค, อคือเขามีกําหนดของเขาอะ่ะเลกเนี่ยเขาเรียกว่าพูดแบบภาษาโหราศาสตร์เรียกว่ามันเลิกดีที่สุดในจํานวนทุกเลิก อะไรที่ดีทั้งหมดในดวงดาวดวงเดือนดวงดวงอะไรก็ตามเถอะตามคติพวกสายโหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้มันดีที่สุดดีทุกแง่ดีทุกมุมดีรอบด้านไปหมดเลยนะเรียกวพยากรณ์ไม่ดีไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวว่างั้นเป็นโดยโดยโดยเริกะนะเขาเชื่อยอย่างนั้นจริงก็แล้วพระองค์ก็จุติมาปฏิสนธิในคันในวันอาสาฬหะวันเพ็ญเดือนแปดแล้วก็ วันเพ็ญเดือน8ดก็ไล่ามาจนถึงเดือนหก็สิเดือนพอดีพระองค์ก็มาคลอดในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะวันวิสาขะพอดีมันก็ถือว่าท่านต้องตรวจ ด, ดูตรวจ ด, ดูอะไรตรวจเหมือนกับตรวจ ด, ดูเลิกกันนะทีนี้คนมีบุญเนี่ยมันกำหนดเลิกเกิดได้เอาสิกำหนดเลิกเกิดกําหนดเลิกคลอดได้อะเลือกเกิดได้เลือกคลอดได้ว่าจะเอาเลิกไหนจริงๆเขาบอกว่าถ้าถ้าทางคติโหราศาสตร์เขามีความเชื่อมากเลยนะเกี่ยวกับเลิกเกิด เช่นะเกิดเลิกโจรไะให้เป็นโจรเลยนะอย่างพระองค์คุลิมาเนี่ยเกิดเลิกโจรอย่างเงี้ยเลิกโจรก็เป็นโจนเรเลิกอะไรเขาก็ว่าเขาเชื่อเรื่องเลิกมากแล้วก็มันก็เป็นวิชาสติที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นด้วยเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปก็ตรวจ ด, ดูเกี่ยวกับการบรรญชาว่าจะต้องไปครองเรือนอยู่จนกี่ปีแล้วกี่ปีจึงจะได้ บรรพชา น, นี้เขาก็ตรวจดูเวลาที่จะออกบวชว่าจะได้บวชวันไหนเพราะอย่าลืมว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจริงๆแล้วอัธยาศัยเนคคำมัธยาศัยท่านมีกําลังนั้นะท่านสิ่งที่ท่านไปอยู่ถึงจะหน้า ด, ดาูดีหน้าติดหน้าข้องตาลใดแต่ท่านมีอัธยาศัยออกโดยส่วนเดียวเหมือนอย่างว่าเรา เดินทางเนี่ยนะแวะแวะที่พักข้างทางที่ดูดีอ่ะนะเช่นแวะโรงแรมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะกลับบ้านถึงโรงแรมมันจะโรงแรมชั้นหนึ่งอ่ะให้อยู่ตลอดไปเอาไหมไม่เอาแม้แต่คืนเดียวก็ยังไม่อยากอยู่นะี่ยจะแต่งดีขนาดไหนอุ้ยรับใช้ดีขนาดไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราอยากจะ กลับบ้านมากกว่าฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านมีเนคข ม, มัตยาสายัยท่านมองการหลีกเร้นเป็นอัธยาศัยของท่านท่านไอการที่ท่านมีสนมนารีมีวังมีอย่างอื่นเพียรพร้อมนั่นคือทางผ่านเท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งที่ท่านติดใจพูดแบบภาษาหนึ่งนะถ้าท่าใครเป็นพระนางยโสธราเนี่ยคิดแทบหน้าน้อยใจเหมือนกันนะหน้าน้อยใจว่าไงบอกหกปีที่พระโพธิสัตว์ออกบวชตั้งแต่บอกว่าตัดใจออกบวชท่านไม่เคยคิดเลยว่าท่านมีภริยาไม่คิดเลยว่ามีลูก ไม่นึกเลยว่ามีลูกตัวเองเป็นคนมีลูกตัวเองมีพริยามีวังมีอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยแทบลืมไปหมดเลยท่านคิดอยู่เรื่องสองเรื่องแค่นั้นอะไรคือกุศลอะไรคือสันติรบรบดท่านมาคน้นอยู่แค่นี้จริงๆท่านไม่สนใจหรอก น, นะเพราะอะไรเพราะท่านั่นรับถึงครอบครัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพญามารจะมาแล้วมันถ้าเขามีกติกาว่ามีคนคอยจ้องอยู่นะแต่แกพลาดเมื่อไหร่ฉันเอาแกคืนแน่นะเพราะฉะนั้นท่านไม่คิดเลยนะถ้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งแบบแหม น่าจะคิดถึงกันบ้างนะนะบอกไม่มีไม่อยู่ในความคิดเลยวรางั้นขนาดนั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีอัธยาสัยที่เรียกว่าเนคขมัตยาสัยนั้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์วันในมหาวิโลกะนะแปประการจึงให้ความสําคัญกับว่าวันออกบวชเป็นวันที่คือคือมันก็เหมือนกับว่านกที่คิดถึงป่าเนี่ยนะวันไหนที่วันที่นกดีใจที่สุดก็วันที่เปิดกรงอะ เปิดกรงได้วันไหนถึงจะ ก, กรงทองอาหารเต็มที่กว่าช่างเถอะแต่วันเปิดกรงอ่ะอยู่วันไหนเหมือนไก่ป่าที่หลุดเข้าไปในบ้านนหมาอยากจะออกอย่างเดียวเหมือนเสือที่เจริญเติบโตมาในป่ามาตลอดแล้วไปขังไว้ในกรงเงินกรงทองเนี่ยนะมันยังไงมันก็อยากจะออกอยู่โดยส่วนเดียวพ่านอัธยาศัยพื้นฐานของพระโพธิสัตว์มีเนคขมัติัธยาศัยแต่จริงแล้วท่านมีอัธยาศัยหประการที่เต็มเปี่ยมหมดแล้วเนี่ยนะทั้งอะไร อโลพธยาสัยอะโทสัทธยาสัยอะโมหัตยาศั ย, ศ ย, ศ ย, ย, ศยเนคข ม, มัตยาสัยวิเวกัทยาสัยและนิสระนัตยาสัยอัทยาศัยขหกประการของท่านเต็มเปี่ยมอยู่แล้วทั้นสิ่งใดที่ท่านไปเกี่ยวข้องมันก็แค่ทางฐ่านเท่านั้นเองแล้วไม่ได้รู้สึกว่าติดใจแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่โหยหาหรือมาหาไม่ใช่ท่านหาสิ่งที่ท่านต้องการแล้วเนี่ยนะคือท่านมีเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจนท่านมองเห็น สัมนวนบางสัมนวนนี่ฟังแล้วก็ขำดีเหมือนกันเขาพูดแล้วก็ชัดเจนดีเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ติดคุกอันละมุลละม่อมหรอกเหมือนกันเขาบอกว่าติดคุกอันละมุลละไมเหมัอนกันเขาบอกว่าแบบการมาสุขทั้งหลายที่กําลังเพลิดเพลินอยู่นะถ้ามองเป็นจริงแล้วเรียกว่าคนติดคุกที่ละมุลละไมแต่ว่าคุกก็คือคุกวันยังค่ํานั่นแหละในที่สุดก็เดือดร้อนเนี่ยนะพระท่านก็มองเห็นคุกถึงจะคุกแบบแต่งดียังไงมันก็คือ คุกวัตตะในภูมิสามท่านก็มองเป็นคุกเท่านั้นแลละเพราะท่านสั่งสมอัธยาสายว่าวัตตะในภูมิสามคือคุกแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานะนะทรมานแค่ไหนเดี๋ยวปัญหาข้อต่อไปจะรู้ว่ามันเที้ยมโหแท้โลกนี้เนี่ยนะโหแท้เนี่ยนะโหแท้มีฟันก็ต้องถอนฟันปวดปวด